ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงประ o a d ยานกํากำลังนำเสนอเรื่องสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบแต่กำลังอยู่ในช่วงของนำเอาพระพุทธศาสนสุภาษิต ท, ที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆก็ถือว่าเป็นปริยายปริยายหนึ่งปริยายหนึ่งคือยะหนึ่งนยะหนึ่ง มาเป็นอุปกรณ์ในการทำความเข้าใจในแง่มุมต่างๆของการเรื่องเรื่องของการใช้วาจาในข้อต่อไปนั้นได้แสดงไว้ในขุทถกนิกายไม่ใช่คือชาดกนะฮะขุตถกนิกายว่าควรกล่าวเ่วาจาที่น่าพอใจคือในกรณีนี้ต้องถือว่าเป็นกรณีนะกรณีพื้นฐานทั่วไป คือทำยังไงว่าเมื่อพูดออกไปแล้วเนี่ยก็พอใจก็ตรงกับหลักที่สุนทรพูดเรื่องกล่าวไว้นะถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสัตว์เป็นคนรักรถ้อยหอยจิตพูดช่วตัวตายทำลายมิกจะชอบผิดในมนุษย์พระพูดจาเดี๋ยวโครงสร้างหลักเนี่ยต้องมองไว้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ผู้ฟังชอบใจหรืออาจจะไม่ชอบใจ แต่เรื่องนั้นยังเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมแล้วก็มีประโยชน์ด้วยมันก็อยู่ที่การละเทศะที่จะกล่าววาจาเหล่านั้นคือถ้าสมบูรณ์ครบหมดทั้งห้าประการมันก็ดีนะฮะหมายความเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงสองเป็นธรรมสามมีประโยชน์สีผู้ฟังชอบใจห้าถูกการละเทศะถือพูดไปถูกการละเทศะมันก็ดีแต่ทาได้สมบูรณ์แล้วก็ดีไม่มีปัญหาไร แต่บางข่าวข่าวโอกาสขนาดนั้นมันก็หายากเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงไหมดีไหมเป็นประโยชน์ไหมคําว่าดีในะที่นี้คือหมายความเป็นธรรมไหมแล้วก็มีประโยชน์ไหมถึงผู้ฟังอาจจะไม่ชอบใจแต่เราก็ไปดูที่การละเทศะว่ามันถึงคราวที่จะต้องพูดจะต้องแสดงจะต้องว่ากล่าวตะเตือนกันแล้วก็พูดปรจ่าเช่นนั้นได้ เพราะว่าเนื้อหาสาระในการพูดเนี่ยเขาเรียกเมตตาวาจาคือฐานจิตเราเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดว่าเราคิดต่อคนที่เราพูดถึงแล้วพูดด้วยเ็นอยังไงแต่เรามองเขาโดยเมตตาบุงดีปรารถนาดีเนี่ยบางครั้งไม่ใช่เฉพาะแต่พูดหรอกมาจะลงโทษลงทานอะไรไปอย่างได้เลยอย่างที่พระเจ้าทรงใช้ว่า ดูก่อนอนุนเราจักกระนาบแล้วกระนาบอีกขมแล้วขมอีกใครมีสาระก็ตั้งอยู่ได้ใครไม่มีสาระก็ออกไปนันก็แสดงนึกหลักการปฏิบัติว่าบางครั้งเนี่ยมันมีความจำเป็นเกิดในการฝึกปรือคนเราได้ก็ชอบใจเสมอไปไม่ได้อ่ะ พ่อแม่กับลูกครูบาอาจารย์กับสิทธิ์ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดถึงรัฐบาลกับประชาชนเนี่ยต้อเอาใจคนหมดมันก็เลิกไม่ต้องทําอะไรกันมันเป็นมองไปที่ตัวประโยชน์ดังการพูดอะไรกันเหมือนกันคือจะมองไปที่ตัวประโยชน์แต่เขาพอใจมันก็ดีแหละแต่ว่าบางทีก็พอใจแต่ไม่ได้ประโยชน์มันก็เบืองก็เล่นตลกอะวาจานั้นเขาพอใจแต่ว่าถามว่ามันได้ประโยชน์อะไร มันก็ไม่ได้การวิธีคิดแบบบัณฑิตการตัดสินใจแบบบัณฑิตก็คือว่าก็ไม่ควรพูดวาจาเช่นนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรและท่านก็เน้นย้ำไว้ในเล่อชาดกเช่นเดียวกันบอกว่าในการไหนไหนก็ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจแต่ว่าถ้าองค์ประกอบดังกล่าวแล้วคือมันเรื่องความคงเคยได้ยินภาษิต ท, ที่เราคุ้นๆ น, นะฮะสัจงเวมาดาวาจาวาจาสั์เป็นวาจาไม่ตาย มันเป็นคำโบราณท่านเรียกว่าส an ันนรธรรมคือทมเก่าทมโบราณก็ยึดถือกันมาอย่างนั้นแหละแต่ว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยคงคงแสดงในรูปปฏิรูปว่าสัตยังเวมาตาวาจาเอสาธรรมโมสนันตโนวาจาสัตเป็นวาจาไม่ตายนี้เป็นของเก่า สัจเจอัเทจะธรรมเมจะอาหุสันโตปฏิติตาแต่ว่าสัตว์บุรุษเนี่ยตรงตั้งอยู่ในวัดคำสัตว์ที่เป็นประโยชน์สัจเจคือสัจจะก็จริงอัเทคือมีประโยชน์แล้วก็ธรรมเมคือเป็นธรรมหรือว่าดีก็อย่างที่ว่าแล้วเนี่ยครับว่าในเกณฑ์มาตรฐานในการกำหนดก็คือสามสามหลักเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องเป็นธรรมแล้วก็มีประโยชน์ ส่วนประเด็นผู้ฟังนั้นก็อย่างว่าแหละคือถ้าเขาชอบใจได้ก็ดีไม่ชอบใจก็ไม่รู้จะบายยังไงแต่มันจนําเป็นคล้ายๆกับหมอจําเป็นต้องผ่าตัดอะนะคือคนป่วยคงไม่ชอบหรอกผ่าตัดมันก็เจ็บอะ่ะแต่ว่าทาไม่ผ่าเขาก็ตายะทําไงก็ต้องผ่าเรื่องบางเรื่องในอยู่ในหมู่คนบางครั้งเนี่ยนะอาตมาเองก็เคยเจอนะคือคือเราก็ไม่จะทํำยังไง เราสุดทางแล้วลูกศิษย์คนนี้ต้องพูดพูดกันดีๆมาเยอะแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะบางครั้งเราก็ใช้วิธีลงโทษบางครั้งเราก็ใช้วิธีศพประมาทสพประมาทนี่โกรธนะเก <c oughs> าจะโกรธอยู่ะระยะหนึ่งแล้วผลท้ายเนี่ยเด็กคนนี้จะมีความสำนึกขุนเรามากเป็นพิเศษแม้ถ้าไม่มีอาจารย์ผมก็แย่แล้วผมก็เสียพูดเสียคนไปแล้วมีคนหนึ่งคนเนี้ ใช้วิธีหลายวิธีเลยทวันก็โตไปเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ไปแล้วเจอแกกราบที่เท้านี่ก็ยกเท้า ว, วางบนหัวกัเลยนะเวลาแกกราบนี่ยเาแกมีความรู้สึกว่าถ้าอันมาไม่ใช้วิธีแรงอย่างขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่รอดอ่ะก็เสียผู้เสียคนติดคุกติดตารางไปเลยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันไม่มีทางออกแล้วเราใช้วิธีทั้งสบประมาทแล้วก็ทั้งหลงโกรธ แล้ที่สุดเขาก็กลับเนื้อกับตัวได้นะก็ตั้งตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานเดนี้ก็มีฐานะดีแล้วแต่ก่อนหน้นนั้นเขาโกรธเราบเ น, นะก็ไม่จะว่ายังไงบางทีโกรธแล้วก็ไม่ได้เรื่องก็มีนะฮเช่นว่าผวกเรียนบาลีเรียนบาลีนี่ก็เราก็สอนก็เตือนมาไม่ยอมขยับเขยื่อนไปไหนเลยก็ต้องสุด ป, ประมาทสุด ป, ประมาทนี่ถือว่าเป็น วาระสุดท้ายแล้วถ้าช่วยตรงนี้ไม่ได้ก็คือจบแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วบางทีก็ไปได้นะฮะบางทีก็ไปได้บางทีก็ไปไม่ได้ก็มีทั้งสองฝ่ายแต่ว่าบางคนแนมะ้แต่ที่ไปไม่ได้นะแกก็ยังรู้สึกว่าเราไม่ได้เจตนาร้ายเราเจตนาจะผ่าตัดเท่านั้นเองแต่ว่าปูดจากันไม่รู้เรื่องนะฮะก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันเพราะโดยหลักการจริงๆเนี่ยมันต้องมองไปที่ตัวประโยชน์ แต่ว่าสามสามหลักนี่ต้องต้องสอดคล้องกันนะเดิมหนึ่งเรื่องจริงสองเป็นธรรมสามมีประโยชน์เนี่ยตัวนี้ต้องสอดคล้องกันคือบกพร่องสักข้อไม่ได้ทามันเป็นเรื่องจริงแต่ไม่เป็นธรรมนั่นก็ไม่ได้มันต้องเป็นจริงด้วยเป็นธรรมนะแล้วก็เกิดประโยชน์ประโยชน์อาจจะช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็มีอีกเรื่องหนึ่งแต่ ว, ว่ามาพูดไปแล้วเกิดประโยชน์ก็พูดในเรื่อง น, นั้นลงไป มันบอกว่าไม่ควรเปล่ง่าจาที่ดีให้เกินการนี่ก็เป็นนัยหนึ่งว่าแม่เรื่องนั้นจะดีนะฮะเช่นสมมติว่าพระเทศเตะก็เรื่องดีนะฮะทีเแต่องเทศนานเกินไปคนก็ฝังแล้วเกิดเบื่อแทนที่จะเกิดศรัทธาภาษาทะมันเกิดปฏิฆะมันเกิดรำคาญนะบางครั้งก็อย่างที่เขาเล่าว่าพระองค์หนึ่งขึ้นเทศ เทศใหญ่เลยหลับตาปีเลยเทศเทศหาสนามลงไม่เจอนะฮะพอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาโยมกลับมาแล้วยังเหลือแต่สุนัขตัวเดียวนะฮะนอนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ไม่จะนั่งฟังเทศ น, นะนอนอยู่ตรงนั้นเ ร, เรื่องกาลาเทศะนี่เป็นเรื่องสําคัญอย่างสมมติว่า การบรรยายอบรมอมะไรของพระเนี่ยแต่ถ้าเขาบอกเวลาก็คือเวลาเลยเราก็พูดถ้าเวลาตุตาเวลาที่เขากําหนดเอาไว้เช่นสมมุติว่าเขาบอกว่าสองชั่วโมงก็คือสองชั่วโมงจะไม่พูดให้เกิดเวลาไปแต่บางบางทีเนี่ยเช่นเช่นสมมติว่าจะเริ่มจากบ่ายโมงถึงสามโมงก็สองชั่วโมงเนี่ย ทีนี้ปรากฏว่าไปพูดตอนบ่ายโมงครึ่งแล้วเราจะเอาชั่วโมงครึ่งตามตัวเลขหรือจะเอาเวลาเต็มถ้า เ, าเวลาเต็มเราก็พูดต่อไปได้นะเพราะเวลาจริงๆเราก็บอกเขาบอกเวลาเนี่ยเขาก็ให้ไปสองชั่วโมงพวเริ่มตรงไหนก็มานับจากตรงนั้นไปให้ครบองชั่วโมงแล้วก็เลิกแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่จําเป็นถ้าเกิดเข้าใจได้ดีแล้วก็ยุติ ต, ตรงนั้นได้ ยือไม่จำเป็นจะต้องลากยาวไปเต็มเวลาก็ได้แต่ว่าตามปกติแล้วในการพูดทางวิชาการเนี่ยนะคนฟังเนี่ยมันสับสนคนฟังยังไม่ไม่อยู่ในเกณฑ์เดียวกันคือถ้าเราพูดเพียงเล็กๆน้อยๆ น, นะฮะคนหนึ่งก็อาจจะเข้าใจแต่อีกคนหนึ่งอ่ะอีกหลายคนจะทำยังไง เันแนวการในการบรรยายในการเทศของพระเราจะเห็นว่าอย่างสมุนโหี้ออกวิทยุอย่างเงี้ยคือจะไม่พูดเรื่องที่ลึกซึ้งมากเกินไปเราก็ไม่แน่ใจว่าคนฟังเนี่เป็นใครบ้างแล้วก็คนเ้าควรจะได้ประโยชน์จากการฟังเรื่องที่นาเสนอเรื่องที่แสดงเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเป็นกลุ่ม ที่ค่อนข้างชัดเจนนะเช่นว่าบรรยายอบรมสมาธิอารมณกรรมฐานี้พูดลึกซึ้งได้นะเจาะลึกลงไปได้แต่ก็ดูเพื่อกันว่ารุ่นไหนล่ะนะบางทีมันอบรมกา ร, ปรเปลี่ยนแปลงทางจิตอบรมสมาธิจริงแต่ว่าพู้กันเด็กเด็กมันก็ว่าไปอีกระดับหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ แต่ว่าเวลาก็ต้องไม่มากเกินไปคือถ้าจํามากเข้าใจมากก็ก็มีปัญหาเหมือนกันกาละเนี่ยมันมันจะมีส่วนดูทุกเรื่องไม่ไม่ว่าจะเพราะเรื่องอะไรก็ตามจะต้องดูเวลาดูจังหวะดูความเหมาะสมควรแล้วก็ท่านได้แสดงเน้นไว้ที่ชาดกเหมือนกันนะนะบอกว่าไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลยเพราะอะไรเพราะว่า การเปล่งวาจาชั่วหยาบต่างๆโดยเจตนาหยาบทั้นมีข้อแม้ว่า เ, าเจตนาหยาบบาปมันเกิดขึ้นภายในจิตเป็นการสะสมบาปด้วยใจเป็นการสะสมบาปด้วยวาจาแล้วเราก็รับผลบาปที่เกิดขึ้นจากการเปล่งวาจาเหล่านั้นไปในพวกอันิสงของศีลอันิสงของการ เปล่งวาจาที่เป็นสุจริตเนี่ยท่านแสดงไว้เป็นอันมากอย่างที่บอกว่าวันหลังนี่จะจะนามาเล่าให้ฟังเพราะว่าตัวนี้คงจะขยายพิธธสดารพอสมควรเพราะว่ามันเป็นเรื่องระดับศีลธรรมจริยธรรมที่มันผูกพันกัชีวิตอยู่ทุกวันทุกขณะเราก็อยู่กับระดับศีนี่แหละการกระทำทางกายทางวาจาการกระทาทางกายพูดทางวาจา เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของเราทรัพย์สินคนอื่นคู่ครองคนอื่นผู้จ่ากับคนอื่นและการเลี้ยงชีวิตของเราก็สรุปว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีของสังคมเป็นการหลักการในการควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจควบคุมพฤติกรรมของเรา ให้อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างสร้างสรรค์พัฒนาไม่ให้เกิดการเบียดเบียนการประทุสลายกันท่านจึงสอนเป็นหลักเอาไว้ว่าไม่ควรจะเปล่งวาจาชั่วเลยเพราะอะไรเพราะวา่าวาจาชั่วเนี่ยถ้าเราเปล่งออกไปเราก็เป็นบาปในการที่กล่าวาจาเช่นนั้นทีนี้บาปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดตามเราไป ที่โนแสดงว่าเหมือนเงาที่ติดตามคนไปเนี่ยที่จริงทั้งบาปทั้งบุญนั่นแหละมันก็ติดตามคนไปเหมือนเงาที่ติดตามคนไปแต่ว่าไอ้บุญติดตามนั้นก็ติดตามเพื่อรักษาธานูบำรุงให้ความเจริญก้าวหน้าแก่เราแต่บาปติดตามนั่นก็จะนําความเดือดร้อนมาให้ดังนั้นอย่างในกุตตากณิกาชาดกเอกนิบาตจึงก็แสดงหลักการในการเปล่งวาจาไว้ว่า พึงเปล่งวาจางามเท่านั้นไม่พึงพึงเปล่งวาจาชั่วเลยการเปล่งวาจางามยังประโยชน์และสเมเด็จคนเปล่งวาจาชั่วยอมเดือดร้อนนี่เป็นการแสดงทั้งหลักการปฏิบัติแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพราะอะไรเพราะว่าการเปล่งวาจาออกไปเนี่ยมันมันเป็นมาตรวัดเราว่าเราเป็นคนยังไงมีนิสัยใจคอเป็นยังไงน้ําใจเป็นยังไงขณะนั้นความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นยังไง แล้วก็ผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากการพูดพาเราเมื่อพูดประจยาในลักษณะนั้นเนี่ยคนฟังเขาจะรับผลยังไงรับผวงในทางบวกหรือทางลบเขาจะมีความเดือดร้อนไหมเขาจะารู้สึกอับอายขายหน้าคนอื่นหรือไม่นะเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งซึ่งจะต้องระมัดระวังรอบ ด, ด้านแต่ว่าทุกวันที่จริงเราระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะเรื่องบางเรื่องเนี่ย มันก็อยู่ในเกย์อย่างที่บอกไว้วันก่อนว่าพูดไปสองไผ่เบีย้ยนิ่งเสียแตม่มึงทองเพราะอะไรเพราะว่าความกดกั้นลดทอนของคนเนี่ยมีน้อยแน่แต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางครั้งบางคราวก็ตักเตือนว่ากล่าวลูกหลานอะไรออกไปบางทีมันโต้ตอบมาแรงๆแล้วก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าต้องลงทุนลงแรงขนาดนั้นทําอะไรเหมือนกัน แต่ทีนี้ในในการนีที่การบริหารงานบุคคลมันก็มองที่ตัวเจตนาอย่างที่บอกว่านี้เป็นเรื่องศีลเมื่อเมื่อเรื่องศีลก็มองที่เจตนาแน่นอนโดยหลักการจริงจเนี่ยพึงเปล่งวาจางามเท่านั้นไม่พึงเปล่งวาจาชั่วเลยการเปล่งวาจางามยังประโยชน์สำเร็จคนที่เปล่งวาจาชั่วเนี่ยย่อมเดือดร้อนให้เป็นสู ต, สตรตายตัวเลยแต่ถ้าเราไม่เจตนา เจตนาไม่ร้ายแต่ว่าจาบัญญัติมันมันจำเป็นนะใกล้ๆกับุงนะฮรเรากระซุงเราจำเป็นต้องถากมันใส่กรบยังไม่ได้ทาไงมันก็ตีเหล็กนะฮะมันก็ตีเหล็กมันก็ช่างออปัน้นพัชนะดินทั้งหลายนี่ทุบดินตีดินขยามดินนะะมันก็ทำแรงๆแต่นั้นแต่ว่าเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ที่ดีงามขึ้นมา การอยู่กับคนมากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาพวกนี้นะไม่ได้ยังไงยังไงก็หาคนชอบพวกคนไม่ได้คือเราต้องมีการวากาอบรมกักเตือนห้ามปรามตํานีแต่บางทีบรรยายสอนหนังสืออยู่หน้าจานนักศึกษาก็ซุบซิบซุบซิบซุบซิบอ่เราก็มองไปให้ในายยาคกเกตือนให้สติทําเฉยไม่รับรู้ ก็มองไปอีกก็เฉย อ, อีกบางทีก็อาจจะกระแอมปไปนานให้สติไม่รู้สึกไม่รู้สึกมัต้องพูดแล้วมันต้องพูดอะไรสักอย่างแล้วแน่นอนตอนพูดออกไปเขาก็ไม่พอใจก็ไม่พอใจแต่ว่ามันก็คงไม่ถึงกับกล้าเถียงอะไรอะไรแล้วนะแต่ว่าเขาก็เก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ภายในวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาจะสํานึกเองเพราะตามปกติจากการสังเกตเนี่ย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปกครองที่เข้มงวดโจริงอาจารย์เนี่ยนะในตอนแรกๆเนี่ยคนดูร่วมร่วมด้วยจะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกไม่พอใจแต่ว่าพอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราเชื่อมโยงความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าของเราที่มีเราวันนี้นะ่ะเพราะว่าเรามีวันนั้นหมายความว่าถ้าไม่มีท่านในวันนั้นเราก็คงไม่มีวันนี้ เดี๋ยวความํำนึกคุณความดื่มด่ำความทราบซึ้งในคุณอุปการของครูบาอาจารย์ทั้งหลายของพ่อแม่ของผู้ปกครองเนี่ยก็จะบังเกิดขึ้นคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาเคยผ่านการปกครองออรบรปมาก็าจะเจอลักษณะอย่างนี้นะหรือจะนว่าคนบางคนเนี่ยอาจจะต้องขับเชี่ยวอะไรกันแรงพอสมควรแต่ว่า ต้นน่ะอาจจะไม่ดีแต่ว่าปลายมันจะดีพระวังคีะเถระเลยกล่าวไว้ว่าบุคคลพึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นเหตุอย่างโตนในเดือดร้อนและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนบุคคลอื่นวาจานั้นแหละเป็นสุภาพสิทอันนี้ก็คือคือวาจาที่ที่สร้างปัญหาเนี่ยมันก็คือวจีทุจริตลองสังเกตว่าเช่นคําคเทศเนี่ย คำเทศเราก็เป็นบาปด้วยใจด้วยวาจาเขารับรู้เรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อาจจะทาไปตามนั้นอาจจะพูดไปตามนั้นอาจจะคิดไปตามนั้นแล้วก็สร้างปัญหาใหญ่เลยเขาเดือดร้อนไอ้นี้ก็ถือว่าเป็นการเปล่งวาจาที่ทำตัวเดือดร้อนเพราะแนววจีทุจริตแนวไม่ใช่คือแ น, นวแนววจีทุจริตทั้งสี่นะหมายความว่าพูดเทจพูดส่อเสียดพูดคาหยาพูดเหลวไหล ทั้งหมดเนี่ยเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนและก็เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเขาเรียกว่าทุพผัสสิทธิพูดไม่ดีพูดไม่งามพูดแล้วก็เกิดความยุ่งยากติดตามมายในกรณีของการยุ่ยให้ดำตามให้รั่วสร้างความแตกแยกขึ้นในหมู่คณะซึ่งถือว่าเป็นวาจาที่ส่อเสียด อย่างเรื่องราวในสามัคคีเพ้คำฉันการกระทำของวัศการพรางจนดกาเป็นแผนวัศการเนี่ยยุ่ย เ, เกิดความแตกแยกมันเป็นการประทุษร้ายคือเราอยู่ในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ไปทำให้ลูกศิษย์เกิดความแตกแยกเล้าฉานเนี่ยแม้มันเป็นรอยอัปยศอดสูมากนะทางในเนื้อหาสาระจริงๆไม่มีอะไร ในการพูดแต่วเจตนาเนี่ยนี่เราก็ดูได้อย่างนี้ว่าคําพูดทิาราสการพราม พ, พูดกับราชกุมารลิชวีทั้งหลายไม่มีอะไรถามเป็นไงสบายดีไหมคุณพ่อเป็นยังไงกินข้าวแล้วยางที่บ้านทำอาชีพอะไรก็คุยกันอย่างนี้ธรรมดาธรรมดาเนี่แต่ว่าเรียกไปกับสิทธีการเนี่ยมันแสดงไม่สุจริตตอนนี้เป็นการแสดงให้เห็น ถ, ถึงถึงลักษณะการใช่วาจาอย่างที่ว่ามันก็มองไปที่เจตนา ว่าจ่ามันไม่มีอะไรที่เป็นการยุให้เกิดความแตกแยกแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันสร้างความระแวงเด็กก็ไปบอกตรงๆว่าอาจารย์พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เอ๊ะทาไมจะต้องเรียกไปกระซิปกระซิบพูดอย่างนั้นอะ่ะมันไม่มีเหตุผลในตัวของมันเองนะแล้วก็ในที่สุดก็กลายมาเป็นมรดกบาปอย่างหนึ่งนะในวัฏจักรอาภรนี่เ ในการศึกสงครามก็ใช้กันมาหลายครั้งหลายขนเวลานี้ก็ยังใช้กันนะแนวตรงนี้แม้แตใ่ในเรื่องราชาธิราชเราเห็นว่าก็ใช้แนววัสการเนี่ยแผนวัสการเนี่ยทั้งหลายครั้งนั่นถ้าเรามองดูวาจารแล้วมันผิดยาบวาจาไม่มีอะไรแต่วิธีการเนี่ยมันสร้างปัญหาสร้างความบาดแวงสร้างความไม่มั่นใจและในสุด พวกฤชวีก็แตกกันเพราะว่าวิธีการกองสการะปราบนะเลยแกจะถือว่าแกทำไปสุจริตไม่ได้ที่จริงเจตนาแกทุจริตมันทุจริตตั้งแต่ออกไปจากกรุงราชคลึกระแลนะฮะเป็นแผนเป็นแผนของพระเจ้าชาติตัวแกรับสนองแผนของพระเจ้ า, าตัวมายุกษัตริย์ฤชวีให้เกิดความแตกแยกแต่ว่ามันเสียที่ว่าตัวเองเป็นอาจารย์แระทุศรัยต่อมิตร คือฤทธิ์ชวีนั้นเขาไว้เนื้อเชื่อใจเขาก็รบนัะถือก็อให้เกียรติยกย่องมอบลุกศิษย์ให้อบรวมสั่งสอนแต่อาจารย์ไปเล่นอย่างนั้นมันก็แย่เหมือนกันนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพูดไปแล้วในตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนวสการพราหมณ์เป็นชื่อที่ฟังแล้วน่าสยดสยองเป็นคนบุคคลที่น่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่า ปทุสรายต่อมิตรที่ไว้เนื้อเชื่อใจตัวเองคนที่ปทุสรายมิตรก็กลายเป็นคนเลวเพราะฉะนั้นอแตร ง, งกันข้ามถึงี่กล่าวแนวการต่อไปเนี่ยจึงเป็นสุภาษิ์เราจะเห็นว่าแต่และเรื่องเนี่ยสร้างความยุ่งยากทั้งหมดอ่ะเรื่องเดียวเอาเอาเอ า, เอาพูดเท็จเรื่องเดียวนี่ก็แย่แล้วนะเท็จเรื่องเดียวหรือว่ายุให้เกิดคว า, ามแตกแยกเรื่องเดียวหรือพูดคําหยาบเรื่องเดียวหรือพูดร้ายสาระ ไอ้ร้าสาระเนี่มันเสียเวลาเสียโอกาสมันก็ไม่ถึงก็เดือดร้อนอะไรทลายนะแต่ว่าเป็นข้อที่น่าสังเกตหลวงพ่อเจ้าไม่ได้เรียกว่าวาจาเรียกว่าสัมผัสประลาปะแปลว่าเพื่อเจอเพื่อเจอเหลวไหลไม่มีเหตุผลไร้าสาระแก่นสารไม่ควรแก่การรับฟังไม่ควรแก่การถือตามปฏิบัติธรรม วันเรื่องของสัมมาวจาเนี่ยเป็นหลักการสาคัญเพราะว่ามนุษย์เรามันก็สื่อสารกันด้วยภาษาเวลานี้เราก็อย่าลืมว่าคําว่าสัมมาวจาเนี่ยมันก็อยู่หมดแหละก็อยู่ในในโค้ดในรหัสในโทรศัพท์ในโทรทัศน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปอยู่ในแวดวงตรงนี้ทั้งหมดทั้งฟังทงั้งหลาย